บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุรชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอวิชชาคือความไม่รู้ที่เป็นรากง่าวของสัพพกิเลสทั้งหลายและเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงในชีวิตของบุคคลนั้น แสดงอาการออกมาในเรื่องความไม่รู้โดยรวมก็ได้แก่ความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการซึ่งเมื่อบุคคลได้รู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการด้วยญาณแล้วก็สามารถขจัดความไม่รู้เหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปแต่ว่าจับใดที่ความรู้ยังไม่ตลอดสาย ลักษณะของวิชาก็จะปรากฏอยู่ในระดับนั้นๆบางอย่างเป็นอาการที่มีความละเมียดละเมยดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ที่จริงก็มีปัญหาอย่างอาการความสยบติดเพลิดเพลินอยู่ในความสุขในระดับต่างๆ่ซึ่งอันที่จริงความสุขนั้น เเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิโรธสัจแต่ตราบใดที่ยังไม่เป็นความสุขสมบูรณ์ก็แสดงว่าตัววิชาก็ยังมีจุดอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการระดับหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นเรื่องของพบชติคนมีความกำหนดยึดติดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในความสุขในระดับต่าง เป็นความสุขระดับมนุษย์ความสุขระดับสวรรค์ความสุขระดับพรหมซึ่งแต่ละอย่างที่จริงก็เป็นความสุขกิเลสก็เจือจางบาบางลงไปตามสมควรแก่ระดับนั้นนั้นแม้ความสุขระดับพรหมซึ่งหาความทุกข์ได้ยากประจิตใจส ง, งบอยู่ดีชา อาการขขากิเลสอาการของความทุกข์มันก็ตกตะกอนใจแต่ถ้าท่านไปยุดติดไปกำนัดพอใจยินดีในความสุขระดับนั้นท่านก็อยุดใช้ความเพียรพยายามที่จะทำลายวิชาให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกำลังของชาญเหล่านั้นเสื่อมลงท่านก็ต้องหมุนวนไปสู่กระแสของสังสารวัฏอีก ค้อนี้เป็นสังเกตตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทยจะแสดงธรรมะที่โป ร, ร่งสัสรูแก่ชาวโลกกลุ่มคนที่คนสงคิดถึงครั้งแรกก็คือท่านอาาดาบการกาลามโคดูทกดาบทรามบุตรซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ของพระองค์ที่รคได้เข้าไปศึกษาการปฏิบัติพัฒนาในด้านจิตใจจนมาลุกถึง ร, รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ ในจริงไก็เป็นความสุขระดับฌานเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิจนถึงส ง, งบเืิดดับไปทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ที่จริงแล้วทั้งหมดยังอยู่เพีเเยงแต่ว่าถูกส ง, งบถูกสยกไว้เท่านัน้นท่านอาจารย์ทั้งสอนทั้งเข้าใจว่าทัดจบแล้วท่านเสร็จ ภ, ภารกิจต่างๆแล้ว แต่ในขณะที่ท่านเห็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ซึ่งจบมาระดับเดียวกันกลับไม่เห็นอย่างนั้นรุ่มม อ, มองดูที่ประไทยลึกๆก็จะเห็นอาการของกิเลสปรากฏอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีอาการรุนแรงเท่านั้นเอง ซึ่งกิเลสก็จริงๆก็เปรียบเหมือนก็ไฟเปรียบเหมือนกับยาพิษเปรียบเหมือนอสราพิษจะมากหรือน้อยมันก็เป็นอันตรายได้ทั้งนั้นตำลองไฟที่เผาบ้านเผาเมืองเมื่อเกิดจะไฟนิดเดียวกิเลสที่สงบไปอย่างมีเชื้อเหลืออยู่นั้นจึงถือว่ามีความเสี่ยงไฟอยู่แต่เมื่ออาจารย์ทั้งสองได้ตายไปเกาะนานนั้น พระเจ้าก็รับสั่งเป็นทานองอุทธธานว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นประสบความจีบหายอย่างใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าโดยผลของความสงบกิเลสระดับนั้นและเป็นการสงบงที่เป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติเพียงแต่ว่าเป็นพบชาติเปะนนิึุนจนไป ทั้งสองตายแล้วจะไปเกิดเป็นอรูปภพรมทั้งคู่แยกตัวอยู่คนระดับกันชีวิตระดับอรูปภพรมเป็นชีวิตที่พักสังสารวัฏอยู่นานเพราะอโอกาสที่จะหมุนบนมาพบพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธศาสนามาศึกษาปฏิบัติตามหลักของอ น, นิมกเบอมแปประการนั้นยากจริง ที่ท่านอุปมาคล้ายๆกับตาวต า, วตาวบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรแล้วพยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อจะหาที่เกาะที่ยึดเนี่ยกจะตะกายโผล่ขึ้นมาได้แต่ว่าเจอที่เกาะที่ยึดด้วยมันยากจริงเพราะว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล ชีวิตในสังสารวัฏมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามคนเราไม่สามารถจะทำลายกิเลสให้หมดไปสิ้นายได้ในเวลาที่รวดเร็วเป็นเรื่องที่จะต้องเก็บสะสมบา ร, รมีธรรมเพิ่มพูนขึ้นและบา ร, รมีนั้นจะมีทั้งในส่วนที่เป็นอนดีตคือเก็บสะสมไว้ในอนดีตที่เรียกว่าสนาบา ร, รมี เราต้องพยายามเพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันแต่ในขณะที่เราเพิ่มบา ร, รมีมันก็มีกระแสอารมณ์ที่ไหลมาท่วมทับใจผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งหกมันก็ไปสลายบา ร, รมีมาทีบา ร, รมีตรงนั้นมันก็หายไปเสื่อมไป เช่นตัวอย่างเรามีเมตตาบารมีอยู่ภายในใจเราแล้วพยายามเจริญพยายามทำใจรักษาศีลแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาแต่เราไม่ได้อยู่ในสังคมโดดเดี่ยวเราต้องเกี่ยวข้องกับลักษณะาอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันเป็นอันมากแต่โดยเฉพาะ อยู่ในภายในบ้านเรือนก็เรียกว่าครองเรือนมันมีอารมณ์ที่กระตุ้นกิเลสเนี่ยเราจะเห็นว่าเมตตาบางวันก็สืบแม้แต่เมตตาในแวดวงคนใกล้ๆกันรามีเมตตาเข้ามาได้นาน แต่บางทีเขาแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงขาดสมาคะระวะขาดความเป็นมิตรขาดความจริงใจโดยบางทีหยุดตึกประทุษร้ายเราโดยกายหรือ ว, วาจาพลังเขาไม่ตาบารมีตรงนั้นถ้าให้แก่กล้าพอมันก็ทนทานไม่ได้ก็จะกลายเป็นความโกรธความไม่พอใจหรื อ, อยังไม่มีอะไรก็ เลิกเมตตาที่เลิกสนใจใส่ใจคนเัานันก็จะเห็นว่าเมตตาจิตมันตกลงไปมันเสื่อมไปเพราะถูกกระแสของอารมณ์เหล่านั้นมากระทบในลักษณะทาลายคือเป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตาเพราะลักษณะของอารมณ์ในชีวิตประจำวันของเราพระเจ้าทรงใช้ศัพท์เป็นภาษาบาลีว่า สภาคารมก็วิสภาคารมณ์ลักษณะสภาคารมณ์นั้นคืออารมณ์ที่เกื้อกูลต่อจิตใจอันที่จริงแล้วก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนมีดีเช่อนอารมณ์ที่เสริมความเป็นบัณฑิตเสริมความเป็นพานของบุคคลก็แสดงว่าเป็นพวกเดียวกัน เพียงแต่ตามปกติแล้วท่านจะใช้ในเรื่องดีๆบางวัฒนรมมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตปะอยู่ลักษณะาทางอารมณ์ตรงนั้นว่าจะเป็นคนเป็นสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสมันเกือ้อกูลต่อศรัทธาศีลหิริโอตปะของเรา ก็ทำให้อิริอัตปะของเราดำรงอยู่ทานเสียงเราก็ดารงอยู่ทำนองอะไรทำนองเอาของเย็นและวราวางไว้ในที่เย็นมันก็รักษาความเย็นตรงนั้นเอาไว้ก็ทำให้คงความเย็นอยู่ได้นานหรืออาจจะเพิ่มความเย็นขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราวางไรวางไว้ในสถานที่ ที่มีความเย็นมากหรือความเย็นน้อยผลภาพตัวนี้เราเห็นที่เป็นเชิงรูปธรรมว่าจิตใจเราก็เป็นเช่นนั้นแต่นั้นเวลาสอนเรื่องธรรมะพระเจ้าจะสอนในแง่ของเหตุปัจจัยที่เรียกว่าสร้างสภาขรม์คารมทีทเกื้อกูลต่อการดําเนินชีวิตต่อการศึกษาและการประพัติปฏิบัติดูตัวอย่างง่ายๆแต่เราคุ้นคุ้ เช่นในมงคลสุดแทนที่จะพูดด้วยคนเราตั้งตนไว้ในทางที่ชอบอย่างเดียวเราก็จริงเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นอันมากเราอาจจะตั้งตัวไวในทางที่ชอบจริงแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรามีปัญหาขึ้นเช่นสมมติเรามีพี่มีน้อง พี่น้องเรานั้นอาจจะสร้างปัญหาให้แก่เราได้เจ้าหนาพี่เราน้องเราไปลักไปขโมยไปฆ่าคนมาเราก็กระเสือนถึงเขาอาจจะต้องถูกไปนําไปสอบสวนหรือไม่มีอะไรก็สังคมก็กล่าวหาเป็นน้องเป็นพี่ของหัวขโมยเป็นน้องเป็นพี่ของฆาตกร แล้กูอะไรเราก็เสื่อมเสียตามไปทั้งๆที่เราไม่ได้ทำตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นเสวนะปัจจยหคือการส่องเสรมการเกี่ยวข้องการข้อผาสมาคมกันมันเป็นปัจจัยเสริมหรือปัจจัยทำลายก็แล้วแต่มันก็มีได้ทั้งสองอย่างเพราะพระพเจ้าทรงแสดงทางเลือกเอาไว้ทั้งเป็นปัจจัยเสริมและปัจจัยทำลาย ก็ให้เสนอก็ให้เสนอให้เลือกเอาเองปัจจัยทำลายก็คือการครบผ่านการไม่คบบัณฑิตการไม่บูชาคนที่ควรบูชาการอยู่ในท้องถิ่นที่ไม่เกื้อกูลเราพัฒนาการนาะต่างๆไม่มีพื้นฐานของวาสนาบรบารมีที่สร้างลักษณะนิสยัยโน้มเอียงไปในทางบุญทางกุศลแม้เราจะพยายามตั้ง ต, งตนไวในทางที่ชอบ ด้วยความเพียรพยายามเฉพาะที่มีอยู่ในปัจจุบันมันก็ทำได้ยากเพราะจะถูกดึงถูกทึงถูกกระทำให้เปลี่ยนแปลงไปหรือบันทอนตัดรอนให้ความดีที่จะประพฤติกระทำเกิดขึ้นไม่ได้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากวา่าได้สิ่งที่เกื้อกูล ที่ทนเรียกว่าเป็นสภาขารมณ์คืคออรมที่เกื้อกูลโดยตนเองไม่คบห า, าสมาคมกับคนผ่านเขา้าหาสมาคมกับบัณฑิตยกย่องบูชาผู้ที่กียรยกย่องบูชาที่อยู่ที่อาศัยก็มันคือกูลต่อพัฒนาการด้านต่างๆเช่นว่าต้องการเจริญศีนสมาธิปัญญาที่อยู่อาศัยมก็ต้อง เน้นไปที่ความสงบต้องไม่มีลักษณะอารมณ์ที่มายุ่ยยุ่ยยวดมากเกินไปถ้าไมงันก็รักษาสีนว้วยไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นสภาพกันหมายความว่าดีก็คือกูดให้ดีไม่ดีก็คือกูดไม่ดีก็คล้ายๆกับบุญกรรม บุญหรือบาปในอดีตของเราที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นตัวเสริมเป็นตัวสนับสนุนที่ท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมนั้นแนวตรงนี้จึงถือว่าเป็นหลักการที่บุคคลสามารถแสวงหาเอาได้ในปัจจุบันแต่จะแสวงหารอยเอร์ซมันก็ทำแต่ยาก เพราะจักเงื่อนไขปัจจัยบางอย่างเนี่ยเราหลีกหนีตรงนั้นไม่ได้หลีกหนีคนบางพวกไม่ได้หลีกหนีสถานที่บางแห่งไม่ได้มีลักษณะาอารมณ์บางอย่างไม่ได้ร่นเกี่ยวกับที่อยู่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสถานที่ทำงานมันมีเงื่อนไขต่างๆมีตัวแปรต่างๆอีกอย่างผลลักการปฏิบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเน้นเอามา หมาความถ้าเราแก้ข้างนอกได้มันก็ดีไปแต่บางทีนอกวิสัยที่เราจะแก้ไขมันก็อยู่ที่การปรับใจตัวเองเรียกว่าปรับใจตัวเองให้อยู่ให้ได้ในท่ามกลางอารมานั้นโดยเพียรพยายามเพิ่มพูนความเข้มแข็งขึ้นภายในจิตใจ ให้ใจมีฐานซึ่งเวลาเรียกนั้นจะทรงเรียกถึงความมีธรรมะอยู่ภายในใจเช่นว่าเป็นเมตตาวิหารีคือปกติแล้วก็อยู่ในเมตตาจิตหรือเป็นธรรมจารีคือพระพฤิธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องมีธรรมะเป็นหลักใจเป็นฐานใจเป็นใจที่มีธรรมะที่เรียกว่าทรงธรรมคือธรรมะทารุทรงธรรมไว ลักษณะเหล่านี้ก็คล้ายๆกับความรู้คล้ายๆกับความสามารถคล้ายๆกับเงินตาต่างๆเมื่อเรามีเขาอยู่มากๆเ <ๆ S 2> ขาจะเป็นที่อิงอาศัยหรือช่วยเหลือเกื้อกูลแกเราได้เป็นความสามารถก็ช่วยเราทำงานที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นได้ความรู้สามารถชี้แจงอ ธ, ธิบายโต้อ ต, อ บ, ตอบหรือใช้เสริมความคิด ใช้เสริมความสามารถใช้เสริมคุณธรรมต่างๆได้เงินทองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจูเกื้อกูลแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้ได้แต่เราจะลืมว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็เสื่อมก็เสื่อมได้มันเป็นเรื่องของสังขารนั่นอย่างหนึง่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติธรรมดาของมัน แล้วก็เป็นเรื่องปัจจัยภายในคือพื้นฐานทางใจของเราเรียกว่าคุณธรรมที่ช่วยในการเสริมสร้างในการรักษาสิ่งเหล่านั้นของบุคคลแต่ละคนนั้นมีความยิ่งหรความหย่อนแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นความจําความจํานั้นเป็นของไม่เที่ยงอย่างที่เราสวดกันว่าสัญญาณิจจา ความจำเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันแต่ลักษณะเหล่านี้คล้ายๆกับการหุงต้มเราจุดไฟขึ้นภายในเตาไฟมันจะมอดได้ถ้าหากว่าเชื้อมันมอดไป แต่ถ้าเราเพิ่มเชื้อขึ้นเรื่อยๆไฟบางทีจะลุกใหมอยู่ได้ เ, เรื่อยๆเหมือนกันทันทันจริงๆมันไม่เชี่ยนไฟในนาทีก่อนมันก็ดับไปแล้วไวในนาทีต่อมาที่จริงมันไฟใหม่ได้เชื้อใหม่อยู่ในเวลาใหม่แต่เมื่อเพิ่มเชื่อไปเรื่อยๆมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆติดต่อไปได้ ยานิทัลลาว่าไฟซึ่งใช้เผาศพคนที่ประเทศอินเดียอี่าลืมฝังม่น้าคงคาที่ธาตุสะอสวะเบศเผากันมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจา้าคือสามพันกว่าปีมาแล้วแล้วก็ไม่เคยดับแล้วก็มีศพไปเผาต่อกัอนมาเรื่อยๆนี้แสดงว่ามีเชื้อมันก็สืบต่อกันไปได้ ทั้งความดีและความไม่ดีก็จะเป็นเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเขามีสภาพเกืออารมณ์ที่เสริม่็ทําให้คนดีได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าชั่วได้ชั่วไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ในนี้ถ้าคนสองกลุ่มนั้นไปเจออารมณ์ที่เรียกว่าเป็นวิสภาพ ค, คือเป็นข้าศึกถ้าไม่แกข่งพอไม่แข็งพอมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ ที่วคนซึ่งมีพื้นฐานฝึกปรืออบรมมาอย่างดีมีศีลมีกัลยาณนะธรรมอย่างต่อเนื่องมานานต่อมาต้องไปเกี่ยวข้องกับ่านสมาคมกับคนผานอยู่ในท้ำกลางคนผานสิ่งที่ได้เห็นก็เพิ่มกิเลสได้ยินก็เพิ่มกิเลสได้สูดดมก็เพิ่มกิเลสได้ลิ้มก็เพิ่มกิเลสจับต้องก็เพิ่มกิเลส เมื่อก็มีความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านจิตใจได้ตัวอย่างเช่นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมนะครับวัดพังธรรมจาศีลอยู่เสมอหรือแม้จะสื่อสาลาเพศออกไปแล้วก็บวช น, นานสื่อสาลาเพศออกไปแต่ต้องไปทํางานอยู่ตามบาตามครับต่างๆลักษณะาอารมณ์ลักษณะสแสงสีต่างๆนั้นมันกระตุ้นกิเลสทั้งหมด ถ้าไม่แกร่งจริงก็ไปแต่ถ้าแกร่งมีสติสมัมปชัญญะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเพิ่มพูนสติสมัมปชัญญะเพราะเห็นว่าในสภาพอารมณ์อย่างนี้ถ้าอ่อนไหวง่งายมันก็จะเป็นอันตรายมีการระมัดระวังเสริมความแข็งแกร่งแก่ตัวเองทำนองคล้ายๆกับเราเดินบนสะพานธรรมดาธรรมดาบางก็ต้องระมัดระวังน้อยหน่อยเดินสบายๆไปแต่พอดีมันเกิดเดินสะพานไม้ท่อนเดียว หรือวต้องตัดเส้นลวดการใช้สติสัมปจนะความเพียรก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความระลึกรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ทั้งก็อยู่ขงท่านใดคนที่มีพื้นฐานเป็นบัณฑิตแม้ตกไปในถ้ากลางกระแสอารมณ์ที่จะเพิ่มกิเลสถ้าแกร่งจริงก็รักษาความเป็นบัณฑิตไว้ได้ ยังต้อมองโบราณที่ท่านพูดถึงาธงาตุอือ่ธาตุของสิ่งเหล่านั้นาธาตุเหล็กาธาตุไฟธาตุไรแต่ลางๆท่านบอกว่าของดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองถึงรายเจ้าของก็เหมือนตัวอย่างถึงซ่อนตู้อุดถึงกุดถุ่มฝังคงมีวันปรังอรังจุเอ๋ยนั้นก็เป็นภาพที่เราเห็นลักษณะอารมณ์ประพืติฐานในด้นจิตใจของคน ที่เก็บสะสมไว้นั้นอาจจะอ่อนไหวง่ายหรืออ่อนไหวไม่ง่ายก็ได้ทีนี้ปัจจัยที่จริงมันไม่ได้มีเฉพาะตัวใดอย่างเดียวบางทีตัวอารมณ์กระแทกแรงๆกระแทกรุนแรงเข้ามาแม้จะเข้มแข็งยังไงถ้ายังไม่เป็นพระยาบุคคลก็เสื่อมได้ตกตามไปได้ ตำล้อมเราต่างๆที่เคยเล่ามาเพราะบางทีท่านบนรรลุฌานแล้วเป็นมหาฤาษีแล้วเป็นพระเทระที่ผ่านการปฏิบัติทางจิตใจมาอย่างสูงแล้วแต่ยังไม่เป็นพระยาพุกข์ท่านก็เสื่อมได้ตกตามเปลี่ยนแปลงไปได้ตอนนี้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วอวิชานั้นยังไม่ได้ถูกทํำลายไปจริง มันมีเชื้ออยู่แล้วพร้อมพร้อมที่จะแพร่เชื้อออกไปไ ด, ด้ในตอนอนตรงข้ามทหาหากคนที่เป็นผ่านไปอยู่ท่ามกลางบัณฑิตเราจะเห็นสภาพทั้งสองสภาพสภาพที่ใกล้เกลือกินด่างคนอาจจะอยู่ภายในวัดหรือแม้แต่ครองเพศเป็นนักบวชอยู่ ไม่ต้องพูดสมัยปัจจุบันสมัยรพระพุทธเจ้าเองก็เถอะก็เหมือนกันที่พระเจ้าทรงอุปมาเหมือนทับผีที่ตักแกงมันก็อยู่กระแกงแล้วก็สึกกร่อนไปเพราะการตักแกงแต่ว่าตัวเองไม่ได้ซึมซับรสชาติของแกงที่ทรงอุปมาการเดินเกาะชายจีวรของพระองค์ไป แต่ไม่ศึกษาทําให้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่สามารถจะรับผลของธรรมะเ่าได้นั่นก็แสดงว่าถ้าพื้นฐานในตัวเองไม่มีเนี่ยจะอยู่ในที่ยังไงมันก็ดีไม่ได้คล้ายๆกับเป็นเม็ดรกรวดทั้งหลายเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ไหนมันก็มีธาตุของความเป็นกรวดมันเป็นทองขึ้นมาไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนพานที่เรียกว่ายังไม่ตกต่ำไปมากเกินไปเมื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก็กลับมาได้หมายความว่าคนเหล่านี้ประเภทที่คล้ายๆกับเป็นแร่ธาตุที่ตกเกี่ยวก่อนอยู่ข้างล่างบางข้างบนจะมีฝุ่นมีตะกอนมีอะไรอยู่กะตาม แต่พอก็จัดสิ่งเหล่านั้นออกไปมันก็เจอทองเจอสิ่งมีค่าซึ่งอยู่ข้างหลังาตอนนี้เราเห็นบุคคลขนาดอย่างพระองค์คุลิมานเราเจะนอดูแลทั้งก็มืดบอดออกมากๆข้าคนในลักษณะที่เรียกว่าตาไม่กระพริบทีเดียวแต่เบื้องลึกจริงๆเนี่ยท่านมีบารมีธรรมอยู่ เด่นแต่ว่าใครยังไม่สามารถดึงออกมาใช้งานได้แต่นั้นเด็กพอไปเจอกับพระพุทธเจ้าครับเป็นมหาโจรที่เจอมหาบัณฑิตก็เรียกว่ายอดโจกรกับยอดของนักปราชญ์มาเจอกันมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้ท่านสาชชนทั้งหลายคงนึกถึงคําพูดประโยคหนึ่งที่เราชอบพูดว่าธรรมะย่อมชนะอาจทำ การนธรรมะชนะอธรรมนั้นไม่ใช่ชนะทุกขั้นตอนหรอกมันอยู่ที่ปริมาณของธรรมะกับอธรรมว่าอะไรมากกว่ากันมันทำนองคล้ายๆกับยาดับกลิ่นกับกลิ่นอะไรบนี미กับหม่งมากกว่าถ้ากลิ่นเหม็นมากกว่ายาดับกลิ่นน้อยกว่ามันก็ดับไม่ได้แต่ถ้ายาดับกลิ่นมันน้อยกว่ากลิ่นมันน้อยกว่ายาดับกลิ่นมากกว่ามันก็ดับได้ พ้ตัวปริมาณน่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ปริมาณจะต้องมีมากคล้ายๆกับ น, น้ําใสสลายน้ําขูนมันอยู่ที่น้ําใสนีม่มีเท่าไหร่ถ้ามีไม่พอมันก็สลายไม่ได้พ้นธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าธรรมะต้องใช้นอ้อาธรรมตลอดไปแต่ปริมาณของธรรมะนีม่มีเท่าไหร่มีมากพอไหมถ้ามีไม่มากพอมันก็สลายไม่ได้ ตีชนะได้จริงๆก็ต่อเมื่อสุดยอดของธรรมะกับอาธรรมนะอย่างหมาโจรอย่างพระองค์คริมาลมาเจอหมาปราดอย่างพระพุทธเจ้าเขา้าหมาโจรมัมีทางเปลี่ยนหมาปราดให้เป็นโจรแต่มีหมาปราดจะเปลี่ยนหมาโจรให้เป็นปราดกว่าตอนสุดท้ายจะชนะแน่นอนก็คือตอนสุดท้ายเมื่อปริมาณของธรรมะเขาเต็มที่ปริมาณความช่วเต็มที่ สู้กันในจุดนั้นความชั่วก็ต้องพ่ายแพ้คือธรรมะก็ชนะอาธรรมไปลักษณะตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าพูดถึงคนหรือพูดถึงสภาพจิตก็ตามที่จริงก็เป็นเรื่องของสภาพจิตลดแล้วแต่สืบเนื่องมาจากปริมาณของอวิชชาว่าเขามีมากหรือเขามีน้อยถ้าเขามีมากแล้วไปเพิ่มเชื้อ ที่เป็นให้อวิชามากเกิดมาก็ากลายเป็นความมืดปอดแต่ถ้าหากว่าเขามีมากก็พยายามกัดกร่อนพยายามสลายไปเรื่อยๆก็กลายกลายก็มืดมากจรงิงแต่ก็พยายามได้จุดเฉียดมาทีละดวงสองดวงเป็นมากแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็ะจัดความมืดจุดได นั่นคือแนวการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นการขัดเกลาวไปเรื่อยๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสมบสืบต่อไป